2.33 ธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสนาวงเล็บเปิด1มีนาคม2551ในวงเล็บ 2. จุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดภาวนามันง่ายนะแค่รู้ไปรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นแต่จิตใจต้องมีความสงบนะมีความสงบสุขใจที่ฟุ้งซ่านเอาไปปฏิบัติไม่ได้จริงหรอกใจที่ฟุ้งซ่านมันก็คิดแต่ธรรมะมันคิดไปเรื่อยๆมันใช้ไม่ได้ ฉะนั้นเวลาเราภาวนาเมื่อใดจิตใจฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาให้จิตใจได้พักผ่อนให้จิตใจมีกำลังก่อนจิตใจมีกำลังแล้วก็มารู้กายรู้ใจไปสมถะก็ทิ้งไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดดูกระระพริกษุกทั้งหลายธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาปิดเครื่องหมายคพูด ท่านไม่ได้บอกให้ทําอันเดียวแต่ท่านบอกธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาและท่านก็ไม่ได้บอกแค่ว่าธรรมะที่ควรเจริญคือสมถะและวิปัสสนาท่านบอกต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยฉะนั้นเวลาจะทําสมถะก็ต้องมีปัญญาอันยิ่งรู้ว่าตอนนี้ควรทําสมถะแล้วรู้ว่าสมถะทําไปเพื่ออะไรรู้ว่าสมถะจะทําอย่างไรระหว่างที่ทําอยู่ก็ไม่หลงไปทําวิปัสสนาหรือหลงไปอยู่กับโลกข้างนอก จะทำวิปัสสนาก็ต้องทำด้วยปัญญาอันยิ่งรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรต้องรู้ทั้งหมดเลยบางคนเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อไม่ให้ทำสมถะเข้าใจผิดพระอะไรจะบอกไม่ให้ทำสมถะพระพุทธเจ้าบอกให้ทำทำไมเราจะสอนว่าไม่ให้ทำแต่ต้องทำด้วยปัญญาส่วนมากหลวงพ่อไม่ค่อยได้สอนให้ทำสมถะมากนักเพราะว่าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ติดสมถะมันติดอยู่แล้วนะต้องมาแก้ต้องมาแค่ออกมา เพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่ทําสมถะแบบไม่มีปัญญาอันยิ่งอยู่ๆนึกอยากปฏิบัติธรรมนะก็เพ่งอารมณ์อันเดียวเลยเช่นพุโทโธพุโทโธแล้วก็ลืมโลกไปเลยนะโลกนี้เหลือแต่พุโทโธหายใจแล้วก็เคลิมขาสติงอกแง่ ง, ง, ง, ง, งอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนั่งดูท้องพองยุบนะแล้วเกิดปิติขนลุกขนพองคิดว่าบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไปเดินจงกรมตัวลอยตัวเบ า, ต, เบาตัวโครงอันนั้นเป็นอาการของปิติ เพราะว่าจิตกำลังไปทำสมถะอยู่แล้วไม่รู้ว่าทำสมถะอยู่ก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นทำสมถะก็ต้องมีปัญญาไม่ใช่ไปเพ่งเพ่งเอาจนเครียดหรือไม่ใช่ไปเพลิดเพลินอยู่กับสมถะสบายแล้วโง่หรือไม่ใช่ว่าทำสมถะแล้วนึกว่าทำวิปัสสนาอยู่อย่างนี้เรียกว่าไม่มีปัญญาถ้าหากเราไม่มีความสงบใจไม่ตั้งมั่นพอนะมันไม่มีกำลังเกิดมากเกิดผลหรอก หลวงพ่อเองแต่ก่อนฝึกสมถะตั้งแต่เด็กๆฝึกอยู่ยี่สิบสองปีชำนิชำนาญอาณาปณสติฝึกเล่นโน้นเล่นนี้เดินปัญญาไม่เป็นมันก็ไม่มีหรอกมรรคผลนิพพานอะไรทีนี้ต่อมาไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองเจริญปัญญาเห็นจิตมันเกิดดับไปเห็นจิตมันไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เห็นไปเรื่อยๆพอดูจิตเป็นมันก็รู้กายด้วยไม่ใช่รู้แต่จิตนะเวลาปฏิบัติจริงไม่ใช่มีสายกายสายจิตอะไรหรอก เบื้องต้นจะมีสายไหนเริ่มต้นจากกายก็ได้จากเวทนาก็ได้จากจิตก็ได้นะแต่สุดท้ายแล้วสติระลึกรู้ได้ทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่ระลึกอันเดียวทีนี้พอจเจริญวิปัสสนาไปเรื่อยๆได้ผลหน้าดีอกดีใจโอ้นี่แหละทางพ้นทุก์เชื่อมั่นปฏิบัติไปแล้วเลยลืมสมถะไปหลายปีทิ้งไปเลยนะทิ้งไปจนวันหนึ่งสงสัยตัวเองเอ๊เะเราเจริญสติจิตขยับขยืขย่อนอะไรรู้สึกกายขยับขยืขย่นรู้สึก ทำไมมันไม่เกิดมรรคผลนิพพานสูงสูงขึ้นไปอะไรอย่างนี้ทําไมมันอยู่กับที่หลายปีไปเจออาจารย์มหาบัวไปถามท่านผมดูจิตอยู่นี่แหละทําไมมันไม่ผ่านตรงนี้สักทีไม่ขึ้นไปลา ก, กิเลส ช, ชั้นสูงสูขึ้นไปท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตอยู่นั้นดูไม่ถึงจิตจริงหรอกดูไม่ถึงจิตจริงหรอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองตรงนี้สําคัญต้องเชื่อเรานะอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้นี่ท่านสอนอย่างนี้เพราะท่านถนัดบริกรรม หลวงพ่อกลับมาบริกรรมดูนะตอนเด็กๆทําได้ชํชนานิชํานาญพอเราไปเดินวิปัสสนามาสัหลายปีแล้วเราทิ้งสมถะพอจะมาบริกรรมนะมีความทุกข์เกิดขึ้นเหมือนโลกจะแตกเลยรู้สึกสมถะหรือบริกรรมอะไรเนี่ยนะมันเป็นภาระมันเป็นส่วนเกินใจมันจะไม่เอาเอบริกรรมไม่สําเร็จก็มาพิจารณาทํำไมอาจารย์มหาบัวบอกให้บริกรรมสังเกตไปสังเกตไปอ๋อจิตเราไม่ตั้งมั่นที่บอกว่าดูจิตดูจิตอยู่นั้น จิตออกไปอยู่ข้างนอกที่หลวงพ่อพูดกับพวกเรารุ่นนี้ว่าจิตไม่ถึงฐานนะจิตมันไม่ถึงฐานจิตมันไม่ตั้งมั่นจิตมันไปรู้อยู่นอกๆโอ้พอเข้าใจหลักตรงนี้นะเห็นจิตที่ไหลออกไปข้างนอกแล้วไปนั่งดูยกตัวอย่างสมมุติว่าเราจะดูกระติกนี้จิตเราไหลไปอยู่ที่กระติกนี้เราเห็นกระติกนี้ชัดเลยนะเห็นชัดอันนี้ดูผิดแล้วจิตถล่มไปดูถ้าดูถูกก็คือจิตอยู่ส่วนจิตนะอารมณ์ก็อยู่ส่วนอารมณ์ ต่างคนต่างอยู่พอจิตอยู่ส่วนจิตอารมณ์อยู่ส่วนอารมณ์เนี่ยมันจะเห็นทันทีเลยว่าอารมณ์นี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่จิตอารมณ์นี้ไม่ใช่ตัวเรามีแต่กเกิดแล้วก็ดบับเกิดแล้วก็ดบับจิตอยู่ต่างหากจิตไม่เกี่ยวพอเห็นอย่างนี้นะมันก็พัฒนาไปได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าสมถะไม่สำคัญนะมีอยู่คราวหนึ่งหลวงพ่อก็ทาแต่วิปัสนาอีกชอบทาวิปัสนา รู้สึกทำสมถะมาตั้งแต่เด็กเบื่อเต็มทีแล้วทำวิปัสสนาดูๆไปนะไปเห็นสภาวะมันไหวๆขึ้นมาภายในเนี่ยพวกเราเคยเห็นแล้วใช่ไหมที่มันไหวๆพริ้วๆอยู่ข้างในเนี่ยยิบยับยิบยับขึ้นมาเห็นอยู่อย่างนั้นเดือนกว่าอุยเหนื่อยตื่นอยู่ก็รู้สึกหลับอยู่ก็รู้สึกเห็นแต่ไหวๆพริ้วๆยิบยับยิยยิบยอยู่อย่างนั้นเหนื่อยเต็มบดาเลยทำอย่างไรก็ไม่ผ่าน เอ๊ะทำไมจิตมันไปรู้แต่ตัวนี้ทั้งวันทั้งคืนรีบไปหาหลวงพ่อพุธนะติดอยู่เดือนกว่าๆแล้วถามหลวงพ่อพุธว่าจะทําอย่างไรดีไปหาท่านวันบุรพาจารย์พอดีเลยคนเต็มวัดท่านเลยทั้งพระทั้งโยมมาเต็มวัดคนเยอะแยะเต็มศาลาทีนี้ท่านยังนั่งอยู่ที่กุฏิหลวงพ่อไปถามท่านท่านเทศใหญ่เลยนะอธิบายใหญ่เนี่ยเมื่อภาวนาละเอียดแล้วมันเหลือแต่สภาวะยิบยิบยับยับยบนี่ไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนไม่มีชื่อนะ มีแต่สภาวะยิบยับยิบยับเกิดแล้วก็ดับไปอย่างนั้นเองเหนือสมมุติเหนือบัญญัติพอฟังนะใจมันก็ไม่ยอมรับนะเพราะมันเบื่อเต็มทีแล้วละ่ะท่านก็สอนสอนหลวงพ่อนะสอนไปนานเลยใจเราก็ไม่ลงไม่ใช่ไม่เคารพไม่รักนะแต่ใจมันไม่ลงมันรู้สึกเบื่อเต็มทีแล้วสภาวะอันนี้นะประเดี๋ยวพระ ก, ก็มาตามท่านหลวงพ่อพระเนรพร้อมแล้วนิมนต์ไปเทศคนก็มาเต็มวัดแล้วนิมนต์ไปเทศ บอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไอ้นันเทศตามธรรมเนียมเอาไว้ก่อนตอนนี้แก้กรรมาฐานเรื่องสําคัญเดี๋ยวเขาก็มาตามเดี๋ยวเขาก็มาตามนะจนเราเกรงใจมากเลยจนเขามองหน้าเราแล้วไอคนนี้ทําคนรอเป็นพันอย่างนี้เกรงใจบอกท่านบอกว่าเดี๋ยวผมไปแล้วละ่ะกราบลาท่านแล้วเดี๋ยวจะเอาที่ท่านสอนไปพิจารณานี่พูดเอาใจท่านนะจริงๆใจมันไม่ลงเลยใจมันเบื่อหน่ายสภาวะที่ไหวยิบยับยิบ ย, บยบัอย่างนี้ กลับมาบ้านเขียนจดหมายไปถามท่านอาจารย์มหาบัวไปหาท่านไม่ได้สมัยนั้นท่านยังตอบจดหมายอยู่แข็งแรงเขียนจดหมายไปบอกว่าผมเห็นแต่สภาวะไหวยิบยับยิบยับเกิดดับอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่แหละมันไม่ผ่านตัวนี้สักทีท่านก็ตอบจดหมายมานะบอกเราเพิ่งไปทําตา ม, มาใหม่เขียนจดหมายยาวไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านเองส่งหนังสือธรรมะเตรียมพร้อมมาให้เล่มบเลอร์เลย โอยเราขี้เกียจอ่านหนังสือเราไม่ชอบอ่านท่านส่งมาให้เล่มก็โต๊โตอ่านกี่ปีจะหมดเนี่ยเมื่อไรมันจะแก้กรรมาฐานตกรู้สึกอย่างนี้แต่ท่านให้มาแล้วก็กราบท่านนะก้มลงกราบท่านนึกถึงบุญคุณที่อุตส่าห์ส่งจดหมายมาส่งหนังสือมาให้กราบท่านแล้วหยิบหนังสือมาเปิดนะเปิดเพราะหน้านั้นพอดีเลยตอบเรื่องนี้นะไม่ต้องหาทั้งเล่มหรอกเปิดมาดูนี้ท่านบอกว่าเมื่อภาวนาละเอียดแล้วมันมีแต่สภาวะที่ยิบยับยิ บ, ยบ ไม่มีสมมุติบัญญัติอะไรอา้าวท่านพูดเหมือนหลวงพ่อพุธนั่นแหละใจไม่ลงเลยคราวนี้โอ๊ยตายแล้วเราเหนื่อยจะตายแล้วทําอย่างไรเราจะเลิกดูมันได้บอกตัวเองนะบอกวันนี้เลิกปฏิบัติสักวันหนึ่งเถอะขอพักผ่อนขอไม่ปฏิบัติสักวันไม่ดูขอไม่ดูเลิกไม่ได้มันดูของมันเองนี่มันอัตโนมัติไปหมดแล้วไหวยิบยับยิบยับนะโอ๊ยเหนื่อยไม่รู้จะทําอย่างไรนะวันนั้นโอ๊ยวันนี้ทําสมาธิสักหน่อยก็แล้วกัน ่าวันนี้ไหนๆก็ไม่รู้จะทําอย่างไรก็ทําสมถะหายใจออกหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกหายใจเข้านับสองอะไรอย่างนี้ท่านพอลีสอนให้หลวงพ่อนับเรียนมาจากท่านก็มานับนับไปได้28ดครั้งจิตรวมพลึบลงไปนะพอจิตถอนขึ้นมานะขาดเลยสภาวะที่ยิบยับยิบยับอยู่เป็นเดือนขาดไปหมดเลยอุ้ยใจโล่งนะเหมือนลองวิกเอนในวงเล็บวันหยุดยาวหลายๆวัน มีความสุขเหมือนลองวิกเอนเลยโอ้ยสบายอยู่ตั้งนานหลายวันโอ้ยเรานีงโง่โง่จริงๆเลยง่ายแค่นี้นะไปทำอยู่แทบแย่เลยคือพอเจริญปัญญาเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นเจริญปัญญาแล้วทิ้งสมถะไปทิ้งสมถะไม่ได้นะใจไม่มีกำลังมันไม่ตัดหรอกต้องมีกำลังพอมันถึงจะตัดแต่สมถะที่ทำต้องทำเป็นนะไม่ใช่ทำสมถะขาดสติผู้ปฏิบัติที่ทำสมถะเกือบร้อยร้อ ย, อ ย, อยทำสมถะขาดสติ ถ้าไม่ขาดสติก็ทําสมถะบังคับตัวเองทำถึนเคร่งเครียดตัวแข็งแข็งใจแข็งแข็สมถะอย่างนั้นเอาไปทำมาหากินไม่ได้จริงหรอกเป็นเครื่องทรมานตัวเองโดยไร้ประโยชน์ยิ่งฝึกยิ่งตัวแข็งไปเรื่อยๆนะทือ่อๆนึกว่ากูเก่งซิอีกนี่สมถะที่แท้จริงนะฝึกมีสติอย่างอานาปนาสติไม่ได้แปลว่ามีสติไปอยู่ที่ลมหายใจแต่หมายถึงว่าให้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก หายใจอยู่รู้สึกตัวนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกไปเรื่อยๆพอใจมันไม่ได้หนีไปที่อื่นแล้วมันก็ไม่ได้ขาดสติด้วยไม่ใช่หายใจแล้วเคลิม้มแต่ต้องหายใจแล้วรู้สึกตัวใจเราไม่หนีไปที่อื่นในขณะเดียวกันใจก็ไม่ได้ลืมเนื้อลืมตัวจิตมันจะรวมลงไปมันสงบนะมันจะรวมลงไปนิ่มๆรู้เนื้อรู้ตัวตลอดสายไม่ขาดสติถ้าขาดสติใช้ไม่ได้ไม่มีทั้งสมถะไม่มีทั้งวิปัสนา เพราะสติเป็นองค์ธรรมที่เกิดกับจิตที่เป็นกุศลทุกๆุกดวงจะทำสมถักก็ต้องมีสติจะทำวิปัสสนาก็ต้องมีสติจะทำคุณงามความดีทั้งหลายก็ต้องมีสติ สติมันอยู่ในจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงฉะนั้นจะทำสมถะก็อย่าให้ขาดสติสมถะต้องอ่อนโยนสมถะต้องนุ่มนวลจิตเบาจิตอ่อนโยนจิตนุ่มนวลจิตคล่องแคล่วว่องไวจิตควรแก่การงานพระพุทธเจ้าสอนบอกทำสมถะแล้วจิตเบาจิตอ่อนจิตนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่งานแล้วโน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อให้เกิดยาณทัศนะหมายถึงว่าจิตใจของเราพอรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขความสงบแล้วเนี่ย ให้คอยรู้กายรู้ใจไปมันจะเกิดญาณทัศนะคือเกิดเห็นความจริงของกายของใจขึ้นมาก็จะเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาฉะนั้นเราก็ดูตัวเองนะเหมือนขับรถยนต์เวลาขับรถยนต์ตอนนี้ควรจะเหยียบคันเร่งต้องเหยียบคันเร่งตอนนี้ควรเหยียบเบรกก็ต้องเหยียบเบรกไม่ใช่จะเหยียบแต่คันเร่งอย่างเดียวรถต้องคว่ำตายกลางทางหรือถูกใครเข้าทับเอาเหยียบเบรกอย่างเดียวไม่ต้องไปไหนละ่ะจอดอยู่กับที่ เหยียบเบรกอย่างเดียวคือคนที่ติดสมถะอยู่กับที่นั่นแหละไปไหนไม่ได้นะอยู่ได้เป็นกับกับอย่างนั้นแหละเหยียบคันเร่งอย่างเดียวคือพวกเดินวิปัสสนารวดไปเลยนะเดี๋ยวก็หูสุกหูซุนตกข้างทางไปแล้วหมดเรียวหมดแรงฉะนั้นเราต้องดูตัวเองตอนไหนควรเหยียบเบรกตอนไหนควรเหยียบคันเร่งตอนไหนควรจะทําความสงบตอนไหนควรจเจริญปัญญารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงฉะนั้นเรียนแล้วต้องเรียนให้ครบนะเรียนทั้งสมถะเรียนทั้งวิปัสสนาฉะนั้นเราต้องฝึก ในที่สุดใจเราจะตั้งมั่นอย่างเบาสบายเรามารู้กายรู้ใจอย่างสบายๆถ้ารู้อย่างเคร่งเครียดใช้ไม่ได้รู้สบายๆแต่ก็ไม่เผลอ